มีครูผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นครูใหม่นะเพิ่งเรียนจบแล้วก็ได้ไปเป็นครูประจำชั้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาโรงเรียนนี้นี่เป็นโรงเรียนมัธยมซึ่งมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันเพราะว่าผิวสีเันคนละสีมีทั้งสีดำ ผิวดำผิวขาวผิวเหลืองแล้วก็พวกนี้ก็ตั้งแกล้งบางทีก็ชกต่อยกัน อ, ออกไปโรงเรียนออกไปนอกโรงเรียนก็ทำร้ายกันคล้ายๆเมืองไทยนะแต่ว่าของเมืองไทยนี่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างนักเรียนต่างโรงเรียนอย่างในกรุงเทพนี่ ยกพวกตีประจําแต่นี่โรงเรียนนี้มันนักเรียนด้วยกันในโรงเรียนเดียวกันนี่ก็ทะเลาะ ก, กันส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นโรงเรียนในถิ่นคนจนนะพวกที่เหลือขอไปไหนไม่ได้ก็มาเรียนที่นี่แหละและพวกที่เหลือขอส่วนใหญ่ก็พ่อเกเลยครูคนนี้ก็มาสอนในชั้นที่มีปัญหาแบบนี้แหละ นักเรียนก็ประมาณสามสิบกว่าคนเกือบสี่สิบมีทั้งสามผิวเลยนะผิวขาวผิวดำผิวเหลืองผิวเหลืองก็พวกเอเชียพวกเวียดนามแล้วพวกนี้เวลาเวลาเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนนะหาทางแกล้งกันในห้องครูเป็นผู้หญิงเพิ่งจบนะเจอแบบนี้เขาก็ ก็งงเลยนะพยายามพูดพยายามสอนให้เด็กตั้งใจเรียนมีความรักความสามัคคีกันให้เห็นโทษของการเาที่ยวการเล่นการติดยาการพนันคือพวกนี้บางคนก็ติดยาบางคนก็ขายยาด้วยแล้วพอขายยาแล้วมันก็หนีไม่พ้นต้องใช้อาวุธนะต้องมีปืนมีมีด แกก็ไม่รู้จะทำไงจนกระทั่งท้อวันหนึ่งแกก็บอกว่านักเรียนเข้ามาวันหนึ่งนักเรียนเข้ามาในห้องเนี่ยนักเรียนก็ตกใจเพราะว่าโตเตอร์นี่หายหมดเลยมันเหลือแต่ห้องเปล่าครูแกรู้แล้วว่าสอนไปก็ไม่มีประโยชน์นะนะแต่จะให้การกิจกรรมหนึ่งในห้องที่อ่าโล่งอยู่นี่ก็ให้ นักเรียนแบ่งเป็นสองฝ่ายคือนักเรียนมีสองแง่งอยู่แล้วนะพวกขาวกับดำํำนะก็ให้อยู่คนละคนละซีกคนละคนละคละด้านของห้องกลางห้องนี่ก็เป็นเป็นเส้นมีเส้นสีดําอยู่คล้ายๆเป็นเป็นเป็นเทปนะนักเรียนก็ไม่รู้ว่าครูจะให้ทําอะไรนะ ครูก็ถามนักเรียนทีละคําถามทีละคาถา ม, ถามเช่นรู้จักวงดนตรีวงนี้ไหมนะข้าใครที่รู้จักก็ให้มายืนอยู่บนกลางห้องอยู่ที่กลางห้องตรงเส้นสีดำที่ที่ตีเอาไว้นักเรียนก็ส่วนใหญ่ก็มายืนอยู่กลางห้อง เพราะว่าไอ้วงดนตรีวงนี้มันชื่อดังใครชอบดาราเสร็จแล้วก็ให้ให้กลับไปไปไปยืนที่เดิมก็คือคนละฝ้าของห้องเสร็จแล้วก็ถามอีกว่านักเรียนคนไหนรู้จักดาราคนนี้บ้างเช่นแบดพิตหรือว่ า, าพวกมาริลินมอนโรอะไรพวกนี้นะทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ นักเรียนส่วนใหญ่ก็มายืนอยู่กลางห้องเพราะว่ารู้จักหมดนะทีแรกก็ถามเรื่องที่มันง่ายๆก่อนนะะนักเรียนก็พบว่าเออถึงแม้อยู่คนละฝั่ ก, กันแต่ว่ามีหลายอย่างที่เรามีรสนิยมเหมือนกันเช่นชอบวงดนตรีเดียวกันชอบดาราคนเดียวกัน ทีนี้ก็ถามอีกว่าในห้องเนี่ยมีใครที่เคยถูกตำรวจจับบ้างก็เยอะนะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มายืนอยู่กลางห้องอ่ะเสร็จแล้วเอากลับไปที่เดิมไปอยู่คนละฝั่งมีใครบ้างที่เคยติดคุกหรือว่าสถานสถานเยาวชนสถานพิทิศเยาวชนนะ่ะก็เยอะนะ ไอ้ที่เคยอยู่คนละฟากนี่ก็มาต้องต้องมาอยู่ตรงเส้นเดียวกันก็มองหน้ากันเอากลับไปใหม่ใครบ้างที่เคยที่ญาติพี่น้องเคยตายหรือเพื่อนเคยตายเพราะว่าการตีกันบ้างถูกฆ่าตายพูดง่ายจากการที่มีความขัดแย้งระหว่างแกงเยอะนะประมาณหกสิบเจ็ดิเปอร์ซ็นเนี่ยก็มายืนอยู่ อยู่ตรงกลางห้องไอ้แต่ละคนเริ่มเริ่มมองหน้ากันแล้ว เ, เราก็หัว อ, อกเดียวกันเนี่ยคือทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยเด็กซึ่งเป็นคนละพวกกันเป็นปฏิปักษ์กันก็เริ่มพบว่าตัวเองเนี่ยก็มีอะไรเหมือนกันหลายอย่างไม่ใช่แค่รสนิยมเหมือนกันแต่ว่าก็เจอชะตากรรมเดียวกันเช่นติดคุกเหมือนกัน แล้วก็สูญเสียคนรักเรียกว่าทีละน้อยทีละน้อยพวกนี้ก็เริ่มเพราะว่าตัวเองก็เป็นเพื่อร่วมทุกข์ไม่ว่าเป็นสีผิวขาวผิวดําก็มีชะตากรรมเดียวกันเจอความทุกข์เหมือนกันติดคุกเหมือนกันแล้วก็ถามต่อไปหลายๆอย่างนะที่เป็นเรื่องที่ที่เป็นเรื่องหนักนะใครเคยค้ายาบ้างหรือว่าใครบ้างที่รู้จัก สถานที่ค้ายาก็หลายคนนะก็มายืนอยู่กลางห้องตรงนี้ที่มันเป็นการจุดประกายให้เด็กที่เคยทะเลาะ ก, กันเนี่ยที่เคยมองกันเป็นคนละพวกคนละฝ่ายเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าแท้ที่จริงนี่เราก็เป็นเพื่อร่วมชะตากรรเดียวกันความรู้สึกที่จะ เห็นใจกันมันก็เริ่มมีแล้วทางนักที่ตะกอนนี่ไม่มีเลยแลวตรงนี้มันจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้ดเด็กในห้องนี้เนี่ยเริ่มจะมารักกันผูก็พาไปพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้วยกันไปทำกิจกรรมด้วยกันไปดูพิพิธภัณฑ์ที่ชาวยิวถูกสังหารโหดนะในสมัยสงคารามโลกที่สอง ก็ไปเห็นว่าความลังเกียจเดียดฉันนี่มันน่ากลัวมากมันสามารถที่จะฆ่าคนเป็นล้านๆคนได้เด็กก็เริ่มได้คิดแล้วก็นิสัยทัศนคติ ก, ก, ก, ก็เริ่มเปลี่ยนครูคนนี้เนี่ยแกรู้ว่าสอนในห้องเรียนไม่มีประโยชน์ละสอนหนังสือเด็กมันไม่ฟังนะเด็กไม่สนใจพราะไม่รู้จะเรียนไปทําไม เพราะเด็กพวกนี้ก็คิดว่าอนาคตก็ต้องไปขายยาหรือว่าไปตั้งแก๊งก็เรียนไปทำไมนะสู้ไปไปไปไปสร้างบารมีตามท้องถน น, นดีกว่าให้ขายใหญ่เห็นว่าเออไอนี่เก่งนะจะได้มีตำแหน่งสูงขึ้นเด็กครูคนนี้แกรู้เลยว่าไอเรียนหนังสือในห้องเรียนไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กพวกนี้นะ ต้องออกไปต้องไปใช้กิจกรรมแบบใหม่สิ่งที่ครูทำก็คือทำให้เด็กรู้จักคิดเด็กเริ่มคิดแล้วจากการที่ได้เกียรติกันก็เริ่มมารักกันว่าเพราะว่าเป็นผู้เดียวกันในการฝึกให้เด็กรู้จักคิดนี่สำคัญมากถ้าเราไปเน้นในเรื่องการสอน วิชาความรู้หรือว่าสอนโดยอาศัยหนังสืออย่างเดียวนี่ไม่พอสอนแต่เด็กไม่เรียนรู้นี่ก็มีนะครูสอนเรื่องศีลธรรมแต่เด็กไม่เก็ตไม่เรียนรู้อะไรเรื่องศีลธรรมเลยการเรียนรู้นี่ของเด็กนี่บางทีไม่ได้อาศัยการสอนนะพ่อแม่ก็ดีครูก็ดีสอนเด็กแต่เด็กไม่เรียนรู้อะไรเลยแต่เด็กกลับไปเรียนรู้มากมายจากดารา จากดาราเกาหลีจากนักร้องท่านั้งที่ดาราได้นักร้องเหล่านี้ก็ไม่ได้สอนเด็กเลยเขาไม่ได้สอนเด็กว่าต้องทำเริงงนงดอย่างนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้แต่เด็กก็เรียนรู้จากพวกดาราเหล่านี้เองเวลานี้เราเปไ็นในเรื่องการสอนของครูแต่เรามองข้างการเรียนรู้ของเด็กให้การเรียนรู้ของเด็กนี่บางครั้ง มันไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการสอนในห้องเรียนนะมีโรงเรียนหนึ่งที่นครสวรรค์นะไปโรงเรียนปถมและมัธยมทุกวิชนักเรียนเนี่ยจะมีกิจกรรมอันหนึ่งก็คือทำทำแปลงผักทุกคนจะมีแปลงผักของตัวเองแล้วแปลงผักนี้เป็นสื่อการสอนสำหรับทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ก็เรียนจากการเอาผักไปขายเพราะว่ามีสหกรณ์เด็กก็เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์จากการปลูกผักแล้วผัาไปขายกำไรขาดทุนภาษาไทยเด็กก็เรียนจากการแต่งเรียงความเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การปลูกผักหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอธรรมชาติของผักวิทยาศาสตร์ก็สอนอาศัยแปลงผักเป็นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันคำว่าผักเรียกว่าอะไร vegetable ดินเรียกว่าอะไร soil ปุ๋ยเรียกว่าอะไร fertilizer น้ำเรียกว่าอะไร water นะวิชาศิลธรรมเขาก็อาศัยแปลงผักนะแต่เป็นวิชาที่แฝงเอาไว้ครูก็เก่ง น, นะสามารถที่อาศัยแปลงผักนี่เป็นสื่อทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจหรือมีศิลธรรม มีข่าวหนึ่งเด็กคนนึ่งก็ไปเห็นแปลงผักของเพื่อนเนี่ยมันมีมันมีแมลงแมลงมันขึ้นแปลงผักเด็กก็ดีใจนะว่าแมลงมันขึ้นแปลงผักของเพื่อนดีใจทําไมเพราะว่าจะทําให้แปลงผักของเพื่อนเนี่ยสวยไม่เท่าแปลงผักของตัวเองแต่ว่าผ่านไปสองสวันปรกฏว่า ไอ้แปลงผักของเพื่อนเนี่ยไอ้แมลงเนี่ยในแปลงผักของเพื่อนมันก็ลามที่แปลงผังของตัวแล้วแปลงของตัวนี่มันก็เริ่มแย่ลงแย่ลงนะครูครูเห็นนะครูก็ไม่ตอบนะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครูไม่ครูไม่อธิบายว่าทําไมเป็นอย่างนั้นแต่ครูถามว่า ประสบการณ์นี้นักเรียนได้แง่คิดอะไรบ้างครูรู้นะว่าควรจะพูดว่าอะไรแต่ครูไม่ไม่ไม่พูดไม่บอกครูถามนักเรียนว่านักเรียนเหตุการณ์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างนักเรียนก็ตอบว่าก็ได้รู้ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นต่อไปเราก็เดือดร้อนนะถ้าเราเห็นแก่ตัวเราไม่ช่วยใครเราก็เดือดร้อนเราไม่ช่วยเพื่อน <c oughs> ไม่ช่วย เหลือแพ่งทางเพื่อนต่อไปแพ่งผ่านเราก็แ ย, ย่เหมือนกันเดี๋ยวก็เห็นแล้วว่าให้ความสุขของเราความสุขของคนอื่นเนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกการที่เราจะมีความเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือของเพื่อนเพื่อนหรือว่าต้องดูแลเอาใจใสเ่เขาด้วยเด็กเรารู้ได้ตัวเองว่าเราต้องช่วยกันเพราะถ้าเราไม่ช่วยกันตัวเราเองก็ไม่รอดเด็กเริ่ม เห็นแล้วว่าการเห็นกันตัวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะนี่เป็นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เองไม่ใช่ครูสอนครูไม่ได้บอกเลยสักคําว่านักเรียนต้องช่วยเหลือกันนะใจเด็กได้เรียนรู้เองแต่ว่าครูก็มีประโยชน์นะครูก็มีความสําคัญเพราะครูทำหน้าที่ถามเด็กถามว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรในส่วนใหญ่ครูมักจะเป็นผู้ตอบตอบให้นักเรียนเลย เด็กนักเรียนไม่ต้องคิดเพราะว่าเราไปคิดว่าหน้าที่ของครูคือป้อนอาหารเข้าปากเด็กแต่ไม่ได้มองว่าหน้าที่ของครูก็คือปัการกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดด้วยตัวเองหาคําตอบด้วยตัวเองการไปคิดว่าครูนี่ทำหน้าที่ยื่นหรือป้อนข้าวให้เด็กเนี่ยมันเป็นความคิดที่ล้าสมัยแล้วสมัยนี้ต้องเรียกว่าเป็นครูที่ทน้ที่จุดไฟจุดไฟทางปัญญาให้เกิดในเด็ก ไม่ใช่เติมน้ำใส่ใส่แก้วเปล่าหรือป้อนข้าวให้กับเด็กเราทําให้จุดไฟจุดไฟให้เขารู้จักคิดซึ่งก็ต้องอาศัยการหากิจกรรมที่ทําให้เขาได้รู้จักคิดหรือการโยนคําถามให้เขาได้คิดถ้าเราคิดแต่เรื่องการสอนด้วยปากหรือว่าใช้แต่หนังสือเนี่ยเดี็กเขาจะไม่สนใจเพราะเขาสนใจอย่างอื่นมากกว่าเช่นดารานักร้อง การสอนให้เด็กรู้จักคิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะวิชาศิลป์การสอนให้เด็กมีศิลธรรมก็เหมือนกันจะใช้วิธีการสอนปาป่าป า, ป า, ปาเนี่ยเด็กไม่ฟังหรอกจริงถ้าครูไม่ได้ทําอย่างที่สอนด้วยเด็กยิ่งหัวเราะเยอะหลายใหญ่แต่ถ้าเด็กทําแต่ถ้าครูสอนให้เด็กรู้จักคิดเด็กก็จะสามารถจะมีศิลธรรมที่